ธรรมบทแปลเรื่องพระเจดีย์ทองของพระกัสสปะทศพลภาคที่หเรื่องที่หนึ่งหสพระศาสดาเมื่อเสด็จจาริกไปทรงปราบพระเจดีย์ทองของพระกัสสปะทศพลพระธรรมเทศนานี้ว่าปูชาระเหเป็นต้น ความพิสดารว่าพระตถาคตเจ้ามีพระสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นพุทธบริวารเสด็จออกจากเมืองสาวัตถีแล้วเสด็จไปเมืองพราราณสีโดยลำดับเสด็จถึงเทวสถานแห่งหนึ่งในที่ใกล้บ้านโตทยคามในระหว่างทางพระสุกตเจ้าได้ประทับใกล้เทวสถานนั้น ทรงส่งพระธรรมพันธาขาริก ค, คือท่านพระอ น, นุนผู้เป็นขุนคลังแห่งธรรมะให้บอกพรามซึ่งกำลังทำกสิกรรมอยู่ในที่ไม่ไกลามาเฝ้าพรามนั้นมาแล้วไม่อภิวาทแด่พระตถาคตแต่ว่ายเทวสถานนั้นอย่างเดียวแล้วยืนอยู่แม้พระสุขตเจ้าก็ตรัสว่าพราม ท่านสำคัญสถานที่นี้ว่าเป็นที่อะไรพรามจึงกราบตูนว่าข้าแต่ท่านพระโคนมผู้เจริญข้าพระเจ้าไหว้ด้วยตั้งใจว่านี้เป็นเจติยสถานตามประเพณีของพวกข้าพระเจ้าพระสุกเจ้าจึงให้พรามนั้นเชื่นชมยินดีว่าพรามท่านไหว้สถานที่นี้ได้ทำกรรมที่ดีแล้วปีกสตองไหล เมื่อได้สดับพูดดันตำรัดนั้นแล้วจึงเกิดสงสัยขึ้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้พรหมามยินดีชื่นชมยินดีอย่างนี้ด้วยเหตุอะไรน้อแลดำ่มดัมนั้นพระตถาคตเจ้าเพื่อทรงปลดเปลื้องความสงสัยของภิกษุเหล่านั้นจึงตรัสเทศนาคติการาสูตรในมัชิมานิกาย แล้วส่งเดรมิตพระเจดีทองของพระกาสป่าทศพลสูงยอดหนึ่งและพระเจดีทองอีกหนึ่งองค์ไว้ในอากาศส่งแสดงให้มหาชนเห็นแล้วแล้วจึงตรัสว่าพราหม์การบูชาซึ่งบุคคลควรบูชาชนิดนี้ย่อมสมควรกว่าแท้ดังนี้แล้วจึงส่งประกาศ ภูชารา บ, บุคคลสี่จำพวกมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นโดยในดังที่ตรัสไว้ในมหาปริณิพนธ์สูตรนั่นเองแล้วทรงแสดงโดยพิเศษถึงพระเจดีย์สามประเภทคือสรีระเจดีย์หนึ่งอุทธิสาเจดีย์หนึ่งและบริโภคเจดีย์หนึ่งครั้นแล้วได้ทรงพาสิทธิ์พระคถาเหล่านี้ว่า ใครๆไม่อาจเพื่อจะนับบุญของบุคคลผู้บูชาอยู่ซึ่งท่านผู้ควรบูชาคือพระพุทธเจ้าหรือว่าสาวกทั้งหลายด้วยผู้ก้าวล่วงปะปัญจธรรมคือทำเครื่องเนิ่นชาได้แล้วผู้มีความเศร้าโศกและความกร่ำกรวนอันข้ามผลแล้วหรือว่าของบุคคลผู้บูชาอยู่ ซึ่งท่านผู้ควรบูชาเช่นนั้นเหล่านั้นผู้นิพพานแล้วไม่มีภัยแต่ที่ไหนไหนด้วยการนับแม้วิธีไรายๆก็ตามว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้บาลีว่าปูชาระเหปูชยะโตพุทเทยะทิจะสาวเกปะปัญจะสามาติ ก, กันเตตินนะ โสกะปริทเเวเตตาที่เสปูชยโตนิปุเตอกุโตพะเยนะสั ก, กาปุญญสังขาตุงอิเมตมะปิเกนะจิก็บุคคลผู้ควรเพื่อบูชาอธิบายว่าผู้ควรแล้วเพื่อบูชาชื่อว่าปูชาระเหบุคคล ในประกาศานั้นคําว่าปูชาระเหปูชยโตแปลว่าของบุคคลผู้บูชาอยู่ซึ่งท่านผู้ควรบูชาหมายความว่าผู้บูชาอยู่ด้วยการนอบน้อมมีกราบไหว้เป็นต้นและด้วยปัจจัยสี่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงปูชาระหบุคคลด้วยคําว่าพุทธะ ส่วนคำว่าพุทธเถแปลว่าพระพุทธเจ้าได้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าศัพนิบาทที่วายะธิได้แก่ยะทิวาอธิบายว่าอัฐวาหมายกว่าว่าก็หรือว่าคำว่าซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นนันตรัสไว้ในพระคถานั้นหรือว่า ภาษาวกทั้งหลายด้วยส่วนคําว่าปะปัญจะสมะติกันเตแปลว่าผู้ก้าวล่วงปะปัญจะทมได้แล้วหมายความว่าปะปัญจธรรมคือตัญหาทิฏฐิมานะท่านก้าวล่วงได้แล้วคําว่าติ น, นะโสกะปริทัเวแปลว่าผู้มีความเศร้าโศก ความร่ำครวนอันข้ามบนแล้วได้แก่ผู้มีความโศกและความร่ำไรอันล่วงผนแล้วอธิบายว่าข้ามล่วงได้ทั้งสองอย่างความเป็นผู้ควรแก่บูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส ด, ด้วยบทวิเศสนะคือคำคุณบทเหล่านั้นคำว่าเตและว่าเหล่านั้น ได้แก่พระพุทธเจ้าเป็นต้นคำว่าตาทิเสแปลว่าผู้เช่นนั้นได้แก่ผู้ประกอบด้วยคุณเช่นนั้นด้วยอํานาจแห่งคุลดังกล่าวแล้วคำว่านิพุเตแปลว่านิพานแล้วได้แก่นิพานด้วยการดับกิเลสมีราคาเป็นต้นภัยแต่ที่ไหนคือจากพบหรือจากอารมณ์ ย่อมไม่มีแก่ท่านผู้ควรบูชาเหล่านั้นฉะนั้นท่านเหล่านั้นจึงชื่อว่าไม่มีภัยแต่ที่ไหนหนซึ่งท่านผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆเหล่านั้นคำว่านะสา ก, กาบุญยังสังขาตุงแปลว่าอันใครๆไม่อาจเพื่อจะนับบุญได้หมายความว่าไม่อาจเพื่อคํานวณบุญได้ มีคำถามสอดมาว่านับอย่างไรพึ่งแก้ว่าอันใครใคไม่อาจเพื่อนับบุญว่านี้มีประมาณเท่านี้อธิบายความว่าอันใครๆไม่อาจเพื่อจะนับว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้บุญนี้มีประมาณเท่านี้อภิสัพพึ่งเชื่อมในคำว่าเกีจิอธิบายว่าอันบุคคลไรๆ หรือว่าด้วยการนับวิธีไรในสองคำนั้นคำว่าปุกทเลนะแปลว่าอันบุคคลได้แก่อันบุคคลนั้นมีรพระพรหมเป็นต้นคำว่าด้วยการนับได้แก่ด้วยการนับสามอย่างคือด้วยการคณีด้วยการช่างและด้วยการตวงการคณนโดยนัยว่าของนี้มีประมาณเท่านี้ ชื่อว่าคณีการช่างด้วยเครื่องช่างชื่อว่าช่างการทำให้เต็มคือตวงด้วยสามารถแห่งกึ่งฝ่ามือฝ่ามือหนึ่งแล่งและถนานเป็นต้นชื่อว่าตวงอันบุคคลใรๆไม่อาจเพื่อ น, นับบุญของผู้บูชาอยู่ซึ่งท่านผู้ควรบูชามีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ด้วยการนับทั้งสามวิธีเหล่านี้ด้วยสามารถแห่งวิบาก ค, คือผลเพราะเว้นจากที่สุจนี้ผลทานของผู้บูชาในสถานทั้งสองเป็นอย่างไรกันบุญของผู้บูชาพระพุทธเจ้าเป็นต้นผู้ยังทรงประชนอยู่ใครๆไม่อาจนับได้ก็พอทำเนาแต่บุญของผู้บูชาพระพุทธเจ้าเป็นต้นผู้เช่นนั้น แม้นิพานแล้วด้วยขันธ์ท่ปรินิพานอันมีกิเลสปรินิพานเป็นนิมิตไกลๆก็ไม่อาจนับได้อีกเล่าเพราะฉะนั้นกวนแตกต่างกันบ้างประเหตุที่จะมีข้อสงสัยนั่นแหละท้าวสักกะจึงกล่าวไว้ในวิมานวัตถุว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นยังทรงพระชนอยู่ก็ดีนิพานแล้วก็ดี เมื่อจิตเสมอกันผลก็ย่อมเท่ากันในพระเหตุคือความเลื่อมใสแห่งใจสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุคติดังนี้ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาพรามนั้นได้เป็นพระโสดาบันแล้วแหละพระเจดีทองสูงหนึ่งยอได้ตั้งเด่นอยู่ในอากาศนั้นแหละตลอดเจ็ดวัน ก็สมาคมได้มีแล้วด้วยชนเป็นนันมากพวกเขาบูชาพระเจดีย์ด้วยประการต่างๆตลอดเจ็ดวันแล้วต่อ น, นั้นมาความแตกต่างแห่งลทัทธิของผู้มีลทัทธิต่างกันได้เกิดมีแล้วพระเจดีย์นั้นได้ไปสู่ที่เดิมแห่งตนด้วยพุ้ตานุภาพในขณะนั้นพระเจดีย์ศิลาใหญ่ ได้มีขึ้นแล้วในที่นั้นนั่นแหละประชาสัตว์ 84,000 พันได้บรลุธรรมมาพิสมัยคือตรัสรู้ธรรมแล้วในสมาคมนั้นเรื่องพระเชดีทองของพระกัศป่าทศพล